ในทางที่อาิกรจะไม่สงบระงับไปโดยพลันแต่บางรูปต้องอาบัตบ่อยๆเป็นต้นแล้วไม่พูดหลีกเลี่ยงไปต่างๆภิกษุทั้งหลายก็จะพิจารณาคือจัดการกับเธอในทางที่อาิกรจะสงบระงับไปโดยพลันอีกฝ่ายหนึ่งต้องอาบัตเป็นครั้งคราวไม่มากไปด้วยอาบัตแต่พูดหลีกเลี่ยงก็มี